ท่านเถ้าซ hey, okay. ีนถ้าฟาวัน้ามันหายเงยยบเลยดีท่านดีมันนี่หน่อยนะแต่ดีแต่ว่าท่านดีมันหลายคนเงินได้เยอดีเดีมัอย่างนี้ยังมท่านงานมาจัดท่าได้เยอะดีท่านก็จะประกอบขัดีเหตุบนี้ผลมันเกิดแล้วเหตุผลมันเกิด วันนี้ทางศาสนาถือว่าเป็นวันธรรมสวระคสามภาษาของศาสนาคือวันฟังธรรมกวดเป็นภาษาไทยไทยเราถ <c oughs> ือว่าเป็นวันอุโบสถก็เรียกอุโบสถก็คือวันเข้าไปสงบจิตทั้งสองอย่างนี้ <c oughs> เป็นวันสำคัญแก่ชีวิตของมนุษย์ทุกปู่ทุกคน การฟังก็ให้เกิดสติปัญญาก็ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องหากเราฟังโดยการวินิจิเจนาวินิจฉัย ใ, ในถอยคำที่กันพูดไป <c oughs> แต่นั้นกันจริงมีฟาสิตเอาไว้วะสุสังและปะเิปัญญาฟังโดยดียอมเกิดปัญญา คือการฟังของตัวเราที่จะเกิดปัญญาได้ต้องเอาใจใส่ต่างใจฟังฟังไปแล้วกว็พิจารณาฮะสาระแก่นสารในการที่ท่านพูดไปนั้นมันผิดที่ไหนถูกที่ไหนถ้าที่ใดมันผิดก็หีกเลี่ยงอย่าไปยึดไปถืออย่าไปเก็บเอามาใส่ใจของตัวจริงไป ลอยไปที่ไหนมันถูกจิต <c oughs> ควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตของตัวให้ดีก็นำมาประพฤติปฏิบัตินี่ฉันเรียกว่าฟังโดยดีไม่ใช่ว่าฉันแสดงอะไรก็เจ็บเอาไปหมดดีชั่วผิดถูกแต่อย่างนั้นมันไม่เกิดปัญญาให้และการฟัง <c oughs> ที่จะได้สาระประโยชน์นั้น เราอย่าไปเชื่อโดยถ่ายเดียวและอย่าไปตำหนิโดยถ่ายเดียวถ้าเราตำหนิทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ท่านพูดเราก็ไม่เกิดปัญญาสาระอะไรให้พอเห็นว่าท่านพูดไปไม่ถูกต้องไม่มีสาระไม่ดีไม่ควรที่จะระหงวบเจ็จจำ <c oughs> นี่คือขาดปัญญา ตำหนิเต็หมดว่าไม่ดีเต็หมดแต่าหากเราไปชมถ่ายเดียวถือเอาถ่ายเดียวว่าท่านพูดไปนั้นถูกหมดนั้นก็ไม่เกิดปัญญาอีกเพราะการพูดไปมันผิดมันก็มีถูกมันก็มีดีชั่วมันผสมกันอยู่นั้นเนี่ยเหมือนกันกับอาหารถึงจะเขาทำํำสํงเร็จใส่ถ้วยใส่จานมาถ้าเป็นพวกปลามันก็มีก้าง จิตอยู่นั้นกวกหมูกวกไก่มันก็มีกระดูกถ้าหาเราไม่มีปัญญาอะไรที่เขาใส่ถ้วยใส่จานมาก็ทานไปหมดมันก็ติดคอรเราตายสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เราก็เก็บทิ้งออกไปสิ่งใดที่เกิดประโยชน์เราก็รับทานทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่ามันดีทั่วไปอาหารที่เราทานลงไปเรายังเลือก ทางทงๆที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วผลไม้ก็เหมือนกันอย่างขนุนทุเรียนเปลือกมันก็มีเปลือกมันทานไม่ได้ทานไปก็ไม่มีรสอริดอร่อยอะไรให้แต่จะว่ามันไม่อร่อยแต่ข้างในของมันมันก็มีเนื้อื้อที่ทําให้เกิดคุณค่าสารประโยชน์แต่ในเนื้อต่อไปนั้นก็มีเม็ดอีก <c oughs> เม็ดมานันนก่อท่านไม่เคยแดสผลใะประโยชน์เราเลือกเอาอันใดถึงเป็นของมีคุณค่าสาระประโยชน์มีการฝูดธรรมะก็ทานองเดียวกันคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเลือกคัดจัดหานำมาประพฤติปฏิบัติแก้ไขกายวายายใ จ, ใจข้องตัวละชั่วบมเพลินดีนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้า ใลมาาสร์รู้ในโลก <c oughs> มากนายหลายองค์ไม่ใช่มีตังเสียพราะพระเจ้าสมณะโคเดมเท่านั้นที่รวงรับดับขันไปอย่างสวดสัมพุทเทนับไม่ได้หลายหลายปวดแต่พวกเราที่ไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ตั้งใจที่นิพิจรารณาก็เลยไม่เกิดสาระอะไรให้ถ่องเขียวเวียนไหว้ายเกิอดอยู่อย่างนี้ ไม่เห็นพระพุทธเ จ, จ้าว่าเป็นอย่างไรถึงเกิดท่านในสมัยของท่านตัดรู้ประกาศศาสนาแต่พวกเราไม่ได้สนใจในอาจทำรรที่ทันเนี้สอนกมเหมือน ก, นกันกับไม่เห็นมันจึงไม่เกิดประโยชน์ให้ถึงเห็นไม่สนใจเพื่อที่จะศึกษานำมาใส่คิด สกิแก่แก่กายจิตของตัวมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้อีกเหมือนกันยังจะเห็นเท่านั้นในสมัยพุทธการพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดบรรจารั์ีตัวตเคยมีฌานตัวหนึ่งมาเห็นท่านที่เดินผ่านไปด้วยอำนาจทานสวยงามของท่านพระพุทธเจ้าเป็นคนสวยงามรูปของท่าน สามารถที่ทำคนทั่วไปให้เหลื่อมใสศรัทธาพอรูปสวยคนที่ชอบรูปสวยหลอกจะต้องติดในพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างวั ก, กรลิถ้าน ท, ทั้งสีเป็นผู้ชายด้วยกันก็ยังหลงรักหลงชอบพระองค์ท่านจนได้ออกไปบวชยงเห็นท่านผ่านไปวินเทาบาทไม่พอต่อความตองการถ้าเป็นฆราวา จะไปเศร้าดูแลอยู่ทุกระยะ ก, ก็ลํางบะต้องออกบวัตรจึงจะได้เศ้าอยู่ทุกการทุกเวลานี่เพราะลูกของท่านสวยงามผู้ชายโดยกันก่ยังหลงไหลใฝ่ฝันอยากเห็นนี่เพราะพระพุทธเจ้าท่านสวยอย่างนั้นท่านเดินผ่านไปจะไปเปิดเป็นแก้วขีตามคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้ามีรัศมีสีแสง สวยงามเลยถามท่านทั้งที่ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครถามท่านว่าท่านบวชกับใครใครเป็นคูเป็นศาสดาของท่านพอเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามเลยถามพระองค์ว่าเราไม่มีครูไม่ีอาจารย์เราเป็นศาสดา ไม่ไดบวชกับใครบวดด้วยตนเองพระพุทปฏิบัติด้วยตนเองรู้เห็นด้วยตนเองตามตัวนั้นไม่เชื่อสั่นฟีษะแหลาลิ้นหนีไปนี่เพียงเห็นไม่สนใจนั่นก็ไม่เกิดสารประโยชน์ให้พวกเราท่านที่เคยเวียนว่ายตายเกิดในวัดสรสงสารก็เคยพบเคยเห็นพระพุทธเจ้าที่มาแัดพอเราเกิดมานี้นับไม่ถ้วน พบฉากของพวกเราแต่ก็ความหลงว่าเกิดในที่ใดต่อที่ใดจำไม่ได้สัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงจำจำได้หมายรู้ต่างๆเหตุนั้นพวกเราท่านจริงไม่ค่อยจะสนใจในตัวเองเท่าที่ควรเคยทุกข์เคยลำบากเคยสุขเคยสบาย แต่จาไม่ได้ว่ า, ม, ามันทุกอย่างไรมันทุกอย่างไรเมื่อมันทุกก็บวนกาเรื่องทุกหัวาใจาทุกไปแล้วก็ลืมเสียว่ามันทุกนั้นมันเป็นมาเพราะเหตุไรมันสุกก็ทานองเดียวกันมันสุกมาเพราะอะไรไม่ใส่คิดที่จะเรนน า, นาไม่ได้ศึกษาทบทวนดูเดี๋ยงมันเป็นมาอย่างนี้ แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพานไปพวกเราท่านก็ยังมีอํานาจบาตศาสนายังเกิดทันศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงบ่งบอกแนสอนเอาไว้ถึงปรินิพานไปกว่าไปตั้งแต่ตายของท่านพระกายของท่านแตกสลายไปธรรมในที่ยังอยู่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแน่สอนก็เหมือนพระองค์เองทรงแน่สอนสิ่งที่ชั่วที่ดีต่างๆที่ท่านบอกให้ละให้บำเพ็ญยังมีอยู่ในตำรับตำราในครูในอาจารย์ที่ท่านนำนามาแน่สอนพวกเราทั้งถ้าเรากำหนดที่นิพิจนาะฟังแล้วไใ่ตองเห็นว่า ถูกต้องควรละควรบำเพ็ญก่อละก่อบำเพ็ญไปตามคำแงสอนของท่านพวกเรา <c oughs> ที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาละชั่วบำเพ็ญดีอย่างนั้นก็จะเห็นความสุขอัศจรรย์นในตัวของตัวเพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ไร้เสืร์สุขเย็น ไม่มีอะไรเปรียบในโลกรสชาติของธรรมที่เราเห็นเราเป็นในใจชนะรถทั่วไปสันจึงว่าสัพสพะสภพะรัตสังธรรมรารโสสินาติ <S 2> <S 2> รถของธรรมชนะรถทั่วไปสภะรัติสิงธรมรมารติสินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั่วไป นี่คือพาสิท์ที่ดัชนีตัดเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ จ, จังๆั ง, งแต่นั้นพวกเราท่านที่เกิดมาทันพระพุทธศาสนาจึงมีโอกาสเวลาที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหาผลมรรคผลนิพพานไปมรรคผลนิพพานนั้นท่านเอาไปได้ตั้งแต่เฉพาะเรื่องของท่าน ที่ทําขึ้นปฏิบัติขึ้นแต่คําสอนนั้นยังเหลืออยู่เหมือนกันกับเราเดินทางไปตั้งแต่ตัวของเราถนนทุนทางเราไม่ได้แบกหามไปคนที่อยากจะไปสู่จุดนั้นก็ไปกันได้เพราะถนนยังอยู่นี่คาสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอยู่ไม่มีอะไรที่เสียหายไปเสดนจทานศีลภาวนา ก็ยังเหลืออยู่พวกเรายังรู้ยังเข้าใจยังพอประพฤติปฏิบัติได้ตามคำแนะนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ามากองค์ที่ปรินิพผ่านไปกว่าสอนคําเดียวกันเบื้องต้นก็่สอนธรรมาจักเหมือนกันทุกองค์จักของธรรมสิ ม, มูลออกจากโลกแต่สะรุป ทำสอนไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนอย่างเดียวกันทั้งหมดที่ว่าสัพพปาปะชะการนังปูสารสู้ปะสัมปทาเศรษฐิตตะปริโยธาปานังเอตังพุทธานาสาสนัพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้นี่เป็นภาษาบาลีไม่ใช่เป็นภาษาไทยสัพพปาปะชะการนังหมายถึงบาป ชั่วทุกอย่างทาไม่ดีทุกอย่างถ้าพุทธเจ้าหอยเว้นจะเป็นการทำโดยกายข่ดตามจะเป็นการพูดโดยวาจาข่ดตางจะเป็นการคิดโดยใจข่าตาเป็นกรรมถ้าทำลงไปในทางชั่วถึงคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราทำชั่วลงไปความชั่วนั้น ก็มาแทกเผาตัวของเราเองคือทำให้เราเดือดร้อนไม่สบายวุ่นวายเศร้าหมองภายในจิตของตัวนี่คือความชั่วไม่ว่าทำไม่ว่าพูดไม่ว่าคิดทางชั่วเราไม่ทราบว่าชั่วกวาตามถ้าหากจิตมันเศร้าหมองจิตเดือดร้อน ในชื่อว่าเป็นเรื่องชั่วที่เราทำไปพูดไปคิดไปท่านจึงให้ละเว้นไม่ให้การทำบาเพ็ญเพราะความชั่วให้ผลเป็นทุกข์ไม่มีความชั่วที่ไหนจะให้ผลเป็นสุขมแจะให้ทุกข์แก่ตัวค้องตัวและผูกเกี่ยวข้องความชั่วเหมือนกันกับไฟ ไม่เผาใครเขา้าคนนั้นก็ได้รับทุกคนที่อยู่ใกล้ไฟก็ได้รับความร้อนพอไอฟองไฟมันไปถึงยิงไปจับต้องเข่าก็งยิงร้อนไหมนีม่ไฟมันมีความร้อนอย่างนั้นวามชั่วก็เหมือนกันคนชั่วเพียงคนสองคนเท่านั้นอยู่ในหมู่บ้านของเราเป็นโจรเป็นขมโมย เราจะมาวัดมาวา่าไปจำศีลภาวนาหรือจะไปทำการทำงานทำนาทำสวนถ้าคนชั่วมีอยู่ในหมู่บ้านของเราคอยดักรักขโมยจีบปอนอันนั้นอันนี้เราไปก็เป็นห่วงลำบากกลัวเขาจะขโมยอันนั้นกลัวเขาจะขโมยอันนี้บางทีมันก็ขโมยจริงๆทำหมระวังรักษามันขโมยไปเราก็เสียใจ ของของเราเรามีกรรมสิติที่จะใช้เมื่อเขาเออกไปก็ขาดกรรมสิติของเราเราจะใช้อย่างเก่าก็ไม่ได้เพราะไม่ไม่มีอยู่ในมือของเราในบ้านของเรามนีคนชั่วนอกจากตัวของตัวเดือดร้อน ย, ยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายไปอย่างนั้น ท่านจึงว่าชั่วเป็นของไม่ดีให้ละเว้นอย่าไปกระทำบาเพ็ญ น, นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าทุกๆพระ อ, องค์สอนให้มนุษย์ละชั่วทั่วไปไม่ว่าชั่วทางใจทางบาจาทางกายแล้วสอนให้มนุษย์ทากันต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษากะทํำบาเพ็ญ ถึงความดีอุชาลสูตปรสัสมปทาหมายถึงทําความดีทั่วไปจะเป็นการทําการพูดการคิดก่อยคิดในแง่ดีมีสติตรวจตาทิจรารณามีปัญญาใส่ตองไข่ควรทําอันนี้ไปถ้าเขาทาจะเราเราจะเสียใจหรือจะดีใจถ้าหาก เขาทำแกเราเราเสียใจเราไปทําแกเขาเขาก็ต้องเสียใจเหมือนกันนีค่คือการคิดที่จะทําเมื่อลงมือทําไปถ้าหากทําอันใดให้แ ก, กคนก็ดีแกสัตว์ก็ดีเขาดีใจเขาสบายใจไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเราได้ชื่อว่าไม่ เป็นความชั่วเป็นความดีผู้มาเห็นที่เรากำลังจะ่ทำบำเทนอยู่อย่างนั้นเขาก็ดีใจอนุโมทนาสาธุพอเห็นว่าการทำของเราถูกต่องดีงามไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นการพูดก็เหมือนกันพูดสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เนี้ยให้เขารู้จัก ผิดถูกดีชั่วต่างๆการคิดวาคิดไปในแง่ทีดีได้ชื่อว่าทำความดีประกอบการกุศลได้ชื่อว่าทำบุญคือจิตใจมันเย็นจิตใจมันสงบผู้ที่ทำความดีอย่างนั้นตัวเอง ก่าตำหน่ตัวของตัวไม่ได้ผู้รู้ทั่วไปเขาก็ไหมดูหมิ่นนินทาการฝูดการทําการคิดของตัวนี่คือเรื่องการทําทดีผู้ที่ทําดีอย่างนั้นมีมากเท่าไรกว่าทําโลกให้สงบทําโลกให้เย็นทําโลกให้เป็นนาอยู่ไม่เหมือนความชั่วแตนจึงแนะแนวให สะสมให้กระทำขึ้นนี่เรื่องความดีเป็นข้อที่สองจี่พระพุทธเจ้าทรงแน้สอนเอาไว้หม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนเห้ละชั่วบําเพ็ญดีและกระทำจิตของตัวให้ฟ่องใสการทำจิต ทำใจให้ผ่องใสนี้เป็นข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสอนจิตใจของพวกเราท่านโดยส่วนใหญ่มันไม่ผ่องใสมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามาณทิฐิมืดมนอนทกการอยู่ตลอดเพราะมันไม่ผ่องใสให้ มันจึ ง, ลงหลงไหลไฝ่ฝันปิดของเห็นของเน่าของเหม็นว่าเป็นของหอมของดีเห็นของทุกข์ยากลำบากลำคาว่าเป็นของสุขของสบายพอมันมืดมันบอดมันไม่เห็นตามเป็นจริงให้ พวกที่มีจิเลียตตัญหาในใจ <c oughs> พวกที่เป็นปุถุชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือพิกตุสามเณรมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เห็นตามเป็นจริงให้มันจริงเกิดราคาตัญหาเกิดความกำหนัดยินดีอยากได้ถ้าหากมันเห็นตามเป็นจริงตามันสว่างสวัยมันเข้าใจในสิ่งหนนนั้น ตามเป็นจริงของมันความอยากดิ้นรนกังวนกังวายของใจแจ่หมดไปดับไปเพราะเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นถูกต้องตามเป็นจริงของมันในว่ า, าธาตุขันของตัวเองหรือสิ่งภายนอกสัตว์ภายนอกคนอื่นนอกตัวของตัวถ้ามันเห็นจริงเป็นจริงอย่างนั้นจิตของ่านมันผ่อใสมันมองเห็นสิ่ง ต่างๆตามเป็นจริงของมันเหมือนกันกับน้ำที่ใสมีอะไรตกลงไปเราก็มองเห็นได้มันจะอยู่ในถังหรือในขวดในแก้วของเราก่อตาถ่าน้ำใสมองเห็นได้ว่าอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรไปปนไปตกลงไปในนั้นพอมองเห็นถนาดชาัดเจนถามมันขุ่นเท่าไรแล้ว มันมองไม่เห็นให้ยิ่งคุณแล้วก็คุณเต็มที่แล้วมองไม่เห็นอะไรเพราะเอาอะไรไปหมักไปดองหว้ในนั้นมันก็ไม่เห็นให้เพราะมันไม่ใส่ไม่สะอาดจิตใจของพู้เราท่านกับธรนองเดียวกันมันคุนมันโปกระปปกด้วยจีเลตันหามานะทิฏฐิไม่เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมัน มันจึ ง, ลงหลงไหลไฝฝันไข ค, คิตติดข้องถ้ามันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะละของมันจะถอนของมันจะไม่มีวันเสียจิตเสียใจนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติขับไล่ความเศร้าหมองคล้องใจด้วยการภาวนาชำระจิตของตัวที่ชั่วที่เสียที่เศร้าที่หมองให้ตกออกไป จนใจผ่องใสใจสะอาดตัวคลองตัวรู้ตัวคลองตัวเห็นไม่ใช่คนอื่นรับรองให้เราเห็นเราเป็นภายในของเราถ้าประพฤติปฏิบัติเมื่อเรารู้เราเห็นเราเย็นเราสงบพิ่งที่เคยมายั่วยุจิตใจให้โลภ ก, กว่าดีให้โกรธก็ดีให้หลงกว่าดี เราทราบเพราะมันผ่องใสสิ่งเหล่านี้เกิดมาตกสู่จิตใจของเราเราทราบเราก็หยิบออกไปได้กวาดออกไปได้ขับไล่ออกไปได้พอใจมันใสใจมันสะอาดมันเห็นสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาถ้ามันตกลงมามันเกิดขึ้นมา คือสติปัญญามันนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะโง่ตลอดการนี่คือการประพฤติปฏิบัติในจิตในใจทำจิตทาใจของตัวให้ผ่องใสทำจิตทาใจของตัวให้บริสุทธิ์ผู้ที่ทำได้มีความสุขความสบายมีความประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกเรามากเลือกเกินท่านไหมนมีการหวั่นไหว ไม่มีการไฝ่ฝันไม่มีการปิดข้องเหมือนพวกเราธรรมดาทั้งๆ ท, ที่อยู่ในโลกด้วยกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นี่คือเป็นของที่ประจําโลกโดยมากผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่มีธรรมะไม่มีสติปัญญาในใจ หลงไหลไฟฝันอยู่ในสิ่งเหล่านี้เกิดทุกข์เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดมาจากเรื่องอันอื่นเกิดมาจากจิตของตัวหลงยึดติดคิดตรงในสิ่งต่างๆจิตตัวปรารถนาอยากได้มาอย่างใจหวังจึงสแสวงหา ไม่ว่ากลางวันกลางคืนไกลไกลที่ไหนควรจะได้มาก็าแสวงหาทิ่งที่ตัวไม่ปราถนามันเกิดดีมาจากไกลกว่าตามไกลกว่าตามก็มเกิดทุกข์ทุกข์อยู่ที่ใจพอใจหลงไหล ใจไม่ต้องการแต่มันก็เกิดมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีประจาโลกมาตัาง้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจมันจึงไม่มีวันเวลาสงบสุขให้เพราะใจมันหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ถ้าจิตใจรู้เท่าเรื่องเหล่านี้ เรื่องเรื่องเหล่านี้มันจะมีมาอยู่แต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปท่านอยู่ในโลกที่ไมติดห้องท่านเป็นอย่างไรถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติใจของเราเข้าถึงความผ่องใสเข้าถึงความบริสุทธิ์เราจะทราบภายในตัวของเราว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนี้สาวกท่านอยู่อย่างนี้ทั้งทั้งฉี่อยู่ในโลกแต่โลกก็ไม่สาดท้าไ่เปื้อนเกลื่อน จิตใจของท่านสะอาดท่องใสวริึกสุดอยู่ทุกการทุกสมัยนี่คือใจที่ชำระกาจัดกิเลสปัญหาออกไปมันมีความสุขความสบายความประเสริฐอย่างนั้นไม่มีวันเวลาที่จะทุกข์เดือดร้อนทั้งๆ ท, ที่เขาเหล่านั้นในโลก เขาทุกข์เขาเพินเขาหลุมเขาหลงแต่ท่านไม่ไ เ, ลเลยเพินแต่หลงไปตามเขาเพราะท่านพิจรารณาด้วยปัญญาของท่านเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงของมันฉะนั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ทายตั้งหน้าตัางา้งตาประพฤติปฏิบัติรักษากําจัดชั่วบําเพ็ญดีคนนั้นแหละจะมีความสุขความสบายภายในจิตในใจของตัวแต่เรื่องของกายนั้นมันเหมือนกันใายเกิดมาที่จะใม่แก่ใหม่ตายไหม่มีมันจะต้องไปเหมือนกันหมดแต่ใจมันไม่เหมือนกันคือใจของฉันมันไม่หวั่นไหวใจของฉันมันสุก มันเย็นถึงจะไม่ถึงพระนิพพานยังมีการท่องเที่ยวเวียนว่ายใ้เกิดมีพบมีชาติอยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้เสียใจพอบุญกุศลที่เราก่อล้างสร้างไหวมันมีอยู่ในใจของเราเหมือน ก, นกันกับคนที่มีสมบัติเท่าของถึงบ้านช่องจะถูกไฟไหม เรือเขาขับไล่หนีแต่เขาขอเงินทองที่เราสะสมเอาไว้มีจะไปสร้างบ้านใหม่